ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาลัยศรีวทุมังนำเสนอธรรมทายาสูตรในช่วงสุดท้ายทีุ่้จอทรงพระสาริบุตรนะครับพระสาริบุตรได้ยกเอาอาริยมรรไปองแปดประกาศว่าเป็นธรรมที่จะแก้ความ โ, โรคปวดหลง แต่ท่านยกมาเฉพาะโลกกับโกรธในภาคปฏิบัติก็ต้องหมายถึงหลงด้วยนั่นเองดีนี้ถ้าหากว่าอริยมรรคมีองแปดมีความสมบูรณ์ก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในจิตคือเกิดดวงตาคือญาณดวงตาแล้วก็ญาณ ขึ้นภายในจิตแต่นั้นจิตก็จะสงบจากกิเลสทั้งหลายแล้วความรู้ก็จะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นพอถึงจุดหนึ่งก็จะสัต์สรุปพอสัต์สรุแล้วก็จะเข้าสู่ปณิภาทธตั้งแต่ว่า ผู้มีอายุทั้งหลายก็มัตสีมาปฏิปทานนั้นชีเป็นธรรมทำให้มีดวงตาทําให้เกิดฌานเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อศัตรูเพื่อนิพานคืออะไรคืออะเรมาส์มีองแปดประการวันก่อนได้อธิบายมาเฉพาะสัมมาชิิเคืออรเรมาส์มีองแปดประการถ้าเราดูให้ดีมีลักษณะเป็นวงกลม คือมาความมาเริ่มต้นที่ความเห็นชอบก่อนแมะแต่สีนเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เห็นชอบพราสี น, นี่ดีเราไปจะไม่รักษาหรอกหรือความเพียรถ้าเราไม่เห็นว่าดีเราก็ไม่มีความเพียรหรอกบางคนเริ่มต้นที่ความเห็นชอบแต่ความเห็นชอบในจุดแรกไม่ใช่สมบูรณ์ เห็นเหตเห็นชอบระดับบา บ, บุญขุนโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีชั่วเสื่อมเจริญสุขทุกข์แต่เชเห็นชอบในกฎของกรรมเห็นชอบตามหลักของพระไตรลักษณ์เห็นชอบในเหตุในผลหรือเห็นชอบระดับชาติหเห็นชอบด้วยระดับการใช้ปัญญาเพ่งพินิษฐ์พิจารณา แน่นอนในทั้งห้าหกข้อเนี่ยในส่วนมรรคกับผลและปัจเจเวกนั้นก็ส่งไปถึงนิพพานแหละแต่ว่าระดับกรรมสกตาระดับใตรลักษณ์ที่จริงก็ถึงนิพพานเหมือนกันนั่นะอย่างที่บอกไว้แล้วว่า ธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นมีพระอาหารหันต์เป็นยอดหรือมุ่งสู่ผลสูงสุดคืออาหารหันต์ทีนี้พอปัญญาเห็นชอบแล้วความคิดก็จะชอบความคิดชอบนั้นมันีกัะษณะเป็นแสงสวา่างก็คือเนคขมะสสังกัปะ ความบริมองเห็นโทษของกิเลสกามและวัตถุกามามกว่ามามองเห็นโทษของอารมณ์โลกและมองเห็นโทษภายในกิเลสภายในใจของคนเองจะเห้นว่าที่จริงอารมณ์โลกมันก็เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติ เราไปกําหนดตัวเองว่าหน้าใครหน้าปรารถนาน่าพอใจที่จริงมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละมันเกิดขึ้นจารงอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่เราไม่ยินดียินร้ายอะไรกับมันมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นเรายินดียินร้ายกับมันมันก็คงเป็นอย่างที่มันเป็น แต่ที่เปลี่ยนแปลงก็คือจิตเราจะถูกเผาลนด้วยกิเลสคือความเหยีย ด, ดีเหยียร้ายถูกเผารุน้วยราคะถูกเผารุน้ดยโทสะถูกถูกเผาลุนโดยโลภะถกเผาลด้วยโมหะเพราะจากการดำริชอบเนี่ยมันก็คิดหาทางออกให้แก่ตัวเองหาทางออกให้แก่ตัวเองเห็นว่ามันจะต้อง รีกเลนออกไปจากอารมณ์โลกคืออย่าไปครุกครีกับอารมณ์โลกมากเกินไปซึ่งในทางพระไตรปิฎกเองสรงแสดงบุคคลเอาไว้เป็น4ประเภทประเภทหนึ่งก็คือหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับอารมณ์โลกนั่นแหละคือกระโจนเข้าไปครุกครี กำลังเพลิอเพินชื่นชมยินดีสนุกสนานอยู่กับอารมณ์โลกก็เรียกว่ากายก็ไม่ออกใจก็ไม่ออกอีกประเภทหนึ่งนั้นมองเห็นโทษของอารมณ์โลกแต่ยังมีปัญหาผูกพันบางสัง่งบางอย่างเอาไว้ ก็เลยก็งดเว้นในส่วนกายกับวาจาไม่ให้เลื่อนไหลไปตามกระแสอารมณ์ต่ใจเองคือหมายความว่ากายยังอยู่กับโลกนั่นแหละแต่ว่าใจไม่หมกมุ่นครุ้นคิดเป็นการเพิ่มความกำนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความบวมเมา หายมากขึ้นภายในจิตเขาเรียกว่าจิตมันออกแต่ว่ากายไม่ได้ออกคนอีกประเภทหนึ่งนั้นกายออกแต่ว่าจิตไม่ได้ออกว่าจะออกเป็นบวดเป็นพระเป็นชีเป็นอะไรนี่นะครับ แต่วิใใจัยยังหมกมุ่นคุนคิดกนัคึกคุนคุนคิดก ำ, น, ด น, ดกำนัดเพลิดเพลิอนอยู่กับอารมณ์โลกบวชไปแล้วก็มุ่งกอบโกยแสวงหาลาบดสเสริญสุขใจก็ผู่แฟ้ไปตามอารมณ์ของโลกจะได้ตามปรารถนาก็อยากได้ต่อถ้าไม่ได้ตามปรารถนาก็เกิดโทมณเสียใจ แต่มีใครเป็นปัญหาภาษาขัดขวางก็จะเข็นข่าทำลายล้างจนถึงจุดสุดท้ายนีย่คือออกทั้งสองอย่างหมายความว่ากายก็ออกไปจากอารมณ์ของโลกคือวัตถุกรรมใจก็ไม่ผัวพันหมกมุ่นอยู่ในวัตถุกรรมเหล่านั้นเพราะว่าไม่มีกิเลสเป็นเหตุในหมกมุน ดังนั้นเราก็จะพบว่ามันก็มีทางออกให้อย่างกายอย่างกายไม่ออกแต่ใจออกได้เนี่ยออกจากความชั่วบางระดับได้ก็ดีอย่างน้อยก็อยู่ระดับศีลธรรมจันรยาหรือใจออกกายไม่ออกไม่ใช่กายออกแต่ใจไม่ออก อันนี้ไม่เดียเพราะว่าฐานะของพระนั้นถ้าหากว่ามีความบกพร่องแล้วมันเพิ่มบาปเพิ่มบาปมากกว่าโยมผลดีที่สุดก็คือออกทั้งกายทั้งใจแล้วก็ใจออกแต่กายไม่ออก ด้าความดำริในเรื่องเหล่านี้ท่านก็จะมองในแง่ ว, วัตถุกรรมทั้งหลายนี่เป็นโทษไม่บอกม่ลคุณคิดที่จริงพระพุทธเจ้าสมงปูพื้นฐานมาตั้งแต่ก็ที่จริงตั้งแต่ศีลนั่นแหละแต่ว่าเรามาดูที่ศีลอโสสุโบสถศีลแปดนะศีลแปเราจะเห็นว่ามันมีแนวของ สำรวมระวงังเวลาสัมผัสการอบรมโลกอย่าไปใกล้ใกล้สิ่งที่กระตุ้นกิเลสให้มากเกินไปข้อที่หกกองงดเว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิการคือหลังเที่ยงแล้วไปมันไปเพิ่มรสซึ่งเราสัมผัสทางลิ้น แล้วก็ไปเพิ่มอาหารให้มากขึ้นในช่วงแรกก็จะกลายเป็นความง่วงในช่วงที่สองก็จะกลายเป็นกามรมารักษก็แสดงมาให้เชื้อแก่กิเลสกรรมประสาททั้งหลายก็ถูกกระตุน้นก็ทําให้เกิดกิเลสกามมากิ่งขึ้น แต่ก็จะกำหนัดในอารมณ์เหล่านั้นได้ง่ายการค้อนรำขับร้องประคอบดนตรีจิตใจก็จะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งกับเสียงนะเสียงที่ผ่านมาทางหูข้อที่หกนั้นคือรสที่ผ่านทางลิ้นพ้องกระตัดกระแสตรงนั้นเสียตัดที่เสียง คือแมใ้ใจยินดีในเสียงแต่ว่าเสียงนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเสียงอะไร่อฟังแล้วเกิดอุศลเกิดความสงบขึ้นแล้วก็เป็นพัฒนาการทางปัญญาของผู้ฟังท่านเน้นไปในเสียงที่จะก่อให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดี แล้วการประหับประดาตกแต่งร่างกายโดยระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาเครื่องมาทิน้นผิวต่ตางๆก็มีลักษณะอย่างนั้นมันไปเสริมทั้งกลิ่นที่เข้ามาทางสมูรแล้วก็สัมผัสที่เรากระทบทางกายก็มีทางกระตุน้นกิเลสออกมาสองทาง และการนอนบนที่นอนสูงใหญ่มันก็เหมือนกันน่คือต้องการหลีกเว้นจากสัมผัสที่กระตุ้นการมารัคับก็เป็นเป็นเป็นเป้าเป็นเป้าที่ส่งตั้งเอาไว้แต่รูปแบบในการปฏิบัติดูแล้วก็ไม่ค่อยเคร่งครัดอะไรทไลัยแต่ถ้าทำได้เนี่ยจิตใจก็จะจางคลายจากกิเลสประเภทราคับ แล้วมันจะไปช่วยเสริมกิเลสเป็นใหญ่เสริมศีลข้อที่สามซึ่งเป็นอภรรมลดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์ทีนี้เมื่อไม่มีตัวกระตุน้นแต่ตัวเองก็ไม่ครุกคลีด้วยกายด้วยด้วยวาจาด้วยสตาเป็ น, นต้นต่างก็เชื่อกันบันรท อย่างคนแต่ก่อนหรือคนเดือนนี้ก็มีเยอะนะฮะวันพระท่านจะนอนวัดวัดก็สร้างอาคารหรือบางทีก็สาลา น, นั่นแหละสารา น, นั่นแหละท่านก็แบ่งกันนอนคุยธรรมา ก, กันไหวพระสวดมนต์การนั่งสมาธิ ก, กันนอนก็นหลังเที่ยงคืนไปแล้วก็เป็นการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้แก่ตัวเอง ทีนี้พฤติกรรอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเนคขมาสังกปะคือดำรีเห็นโทษของกรรมแล้วพยายามที่จะถอนถ่ายถอนกายจิตออกมาจากวัตถุกรรมเหล่านั้นเรานี้จึงเป็นกรรมวิธีกรรมวิธีเดียวช่วยส่งเสริมพัฒนาจิตของบุคคลให้มีความประนีตขึ้นไปจน เรียกว่านายกามคิดแล้วมันเกิดเบอรนัก็ต่อไปก็คืออัปยาปาดสังกปจะเริ่มดีในการไม่อาฆาตพยาบาทเบียดเบียนกันต้องการบรรเทากิเละประเภททสะทีนี้เมื่อ ไอ้สีนสสีข้อหลังเนี่ยฮะสินสีข้อหลั ง, นะลงแต่ว่าท่านสรุปเป็นเป็นสามนะฮะก็เอานาจกีกมามลามารวมกันเราถูกสยบไว้มันก็ไม่ได้เกิดความยินดีเมื่อไม่เกิดความยินดีไอ้ตัวจะ ก, กระตุ้นให้เกิดความยินร้ายมันก็ไม่เกิด ก็บันเทาอาฆาตปริบาตไปด้วยแต่ข้อต่อไปก็คืออาวิหิงสาสังกปะคือดํมริในการไม่เบียดเบียนเบียดเบียนเป็นความคิดที่ขาดการุณาต่อสิ่งมีชีวิตบางทีก็เลยเถิดไปถึงสิ่งไม่มีชีวิตนะฮะเบียดเบียนเนี่ย แต่ว่าไปกระทบกับสิ่งมีชีวิตพอสิ่งไม่มีชีวิตก็ย่อมมีเจ้าของคือสิ่งมีชีวิตเป็นเจ้าของแม้แต่ป่าธรรมชาติก็มีสัตว์เป็นเจ้าของเป็นอยู่อาศัยถ้ามนุษย์เป็นบุกรุก ป, ป่าในสุดสัตว์ก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ก็ถึงจุดหนึ่งก็จะสูญพันธุ์ไปจากโลก จึงก็เป็นปัญหาที่วงใหญ่กันสันงคมเราถ้าเรานำอดศีลของพระพุทธเจ้านี่แหละไม่ต้องพูด้ไไลเราเอาศีลมาศึกษาแล้วมาปฏิบัติกันเอาศีลห้าไว้เป็นหลักใครสามารถรักษาศีลแปดได้ก็อย่างน้อยเดือนละสี่ครั้งแล้วความคิด จิตใจก็จะประนิีเกิด ล, ละลาจางคลายกิเลสลงไปเราตัวกระตุ้นกิเลสนี่ก็เป็นสมาสังกัปปะคือมันทวนกระแสะอารมณ์โลกทั้งหมดอารมณ์โลกนั้นพยายามปนปรือกันด้วยวัตถุกรม โดยมีวิธีการในการกระตุน้นจิเดสกามของคนแล้วก็ถ้าเกิดไม่พอใจมาก็แรงมีการรุนแรงมีการโต้ตอบมีการทำลายล้างกันปากอ้างว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันแต่ว่าสองล้างจังห่านจองขรางกันไม่มีที่สิ้นสุดไม่หยุดเลยจนเดียนนี้ไม่หยุดเลยนะครับฟังวิทยุดูโทรทัศน์ เจอแต่คำออกมาในลักษณะอย่างนี้มันเป็นสัญชาตญาณดิบแสดงถึงความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาแต่ปากก็พูดว่าเป็นเรากับพวกเราแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยเป็นเราเป็นเขาที่ชัดเจนจนมุ่งมั่นไปสู่การวิฆาตขีดขายอาสัน หรือผลประโยชน์ขัดกันก็บันลหลตายเสียข้ครั้งหนึ่งจึงจะดีวักนก่อนได้ฟังเขาวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศพูดถึงมหาเศรษฐีสองคนคนหนึ่งนุดหนุนพรรคเดโมแครตคนหนึ่งหนุนพรรครีพับลิกันปุ่ยต่อสู้กันแรงมากรุนแรงมากเล่นทุ่มเงินกันไปเยอะ เล่นกันระดั บ, บใหญ่นะฮะระดับใหญ่นะเราแท้ไม่เห็น่าเออการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องผลประโยชน์ไปแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่เข้ามาเพื่อบำบัด ท, ทุกบำรุงสุขให้แกอนณาประชารัศดรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือยุคสมัยนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเป็นสนอยู่ก็ต้องสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ เพราะเป็นยุคที่ครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแข็งมานชนชาวสยามเป็นมโนปณิธานของสถาบันพระมากษัตรามาตั้งหกสิบสามหสิสี่ปีแล้วนะฮะแต่ว่ามันพฤติกรรที่เราแสดงออกเนี่ยมันขัดแย้งกันแต่ในขณะเดียวกันก็บอกว่าเรารักในหลวงเลยไม่รู้หมายความมาอย่างไง คือการจะแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงๆเนี่ยก็คือพยายามขาจัดเหตุแห่งความเดือดร้อนของประชาชนชาวสยามและพยายามช่วยเหลือคือกูลเอื้อความสุขให้แก่ประชาชนชาวสยามอยากวงแคบๆสองคนสามคนไปเลยเนี่ยตามที่เราจะทำได้นั่นก็ชื่อว่าแสดงความจงรักภักดีจริงๆ ก็เป็นเรื่องยากนะเราพูดนะได้แต่ว่าจใจคนก็เชื่อแล้วปฏิบัติตามในเรื่องยากทีนี้ต่อไปเป็นสมาวาจาการเจรจาวาจาในทางที่ชอบที่จริงมันมีโบหารในการเรียกนีเยอะบครั้งทรงช้างบางครั้งทรงใช้ ค, งงชคำว่าเมตตาวาจา มายความมาถ้าเราเมตตาในคนฟังจริงๆวาจาที่เปงออกไปก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทีนี้คำคาเท็จก็ดีครับสอสเสียดก็ดีครับหยาบก็ดีคำเพ้อเจ้อเลวไหลก็ดีก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันไปการรอนสิทธิประโยชน์ของผู้ฟังผู้ฟังแล้วต้องสูญเสีย อย่างน้อยก็เสียใจน้อยใจทุกข์ใจไม่สบายใจบางทีก็พูดจริงจริงดีมีประโยชน์ไอจจริงหรือไม่จริงดีหรือไม่ดีเป็นเกณฑ์ในการกาหนดเบื้องต้นแต่ว่าการมีประโยชน์เป็นป้าประสงค์และความเราพูดคำที่มีประโยชน์ ที้พอคำนั้นมันมีประโยชน์มันก็ต้องไม่เท็จเราไม่สอสเสียดต้องไม่คำหยาบก็ไม่เพ้อเจอเอหลือหลายวนคำเวลาโวหารในการสื่อสารนี่จะเยอะเพราะว่าภาคสนามแล้วจะไปหาจุดเดียวกันคือมีความซื่อสัตสื่อตรงต่อกันแต่ว่าใน ธรรมาวาจานั้นก็ทรงแสดงระดับงดเว้นเพราะว่าเป็นเรื่องศีลกองเว้นจากการพูดเต็ดกดเว้นจากการพูดสอเสียดกดเว้นจากการพูดคำหยาบกดเว้นจากการพูดเพื่อเจอเรื่องไหลไราสาราต่างๆคาแท้คือคำอะไรคำที่ไม่เป็นจริงตามที่ตนได้สัมผัส หมายความเราได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ทราบได้รู้มาอย่างไรก็ไม่พูดไปตามนั้นอาจจะขยาย ใ, ใหญ่เกินไปหรือว่าไปสรุปย่อเกินไปเป็นผลมาจากจิตที่มีอากติให้เราสังเกตเรามนุษย์เราเวลาพูดถึงความดีของคนที่เรารักเนี่ยเราเจะพูดเยอะ และเวลาพูดความชั่วของคนที่เรารักเนี่ยจะพูดนิดเดียวอาจจะชั่วมากก็ตามแต่พอพูดความดีของคนที่เราเกลียดเนี่ยเราจะพูดนิดเดียวแเราพูดความชั่วของคนที่เราเกลียดแม้คนนิดเดียวนะแต่เราจะพูดซะเยอะนี่คือธรรมชาติของจิตที่ยังเกาะอิงอยู่กับความรักความชัง วผลแต่ราชารักชังเป็นเกณฑเนี่ยมันไม่ได้มากฐานหรอกทีนี้การสอดเสียดตามปกติแล้วเป็นเรื่องของความเกลียดหรือว่ายืมดาบฆ่าคนหรือต้องการยุ่ยคนสองฝ่ายทะเลาะกันโดยเองเสมอเนาะหรือว่าเราเกลียดทั้งคู่หแหละเราเกลียดทั้งคู่ต้องการให้เขาได้รับความเจ็บปวดทุกทรมาน แล้วก็นําความข้างนี้มาบอกข้างโน้นนาความข้าโน้นามานนบอกกันนี้เลยคนสองขวายทะเลาะ ก, กันแต่บางทีเราก็เกลียดคนหนึ่งแต่ต้องการยืมมือคนหนึ่งนี่ให้ทําลายคนที่เราเกลียดจึงอาจจะริษยากก็ได้อาจจะเกลียดก็ได้ จ, จะโกรธก็ได้จจะพยาบามตรก็ได้แต่สรุปไม่ไม่ใช่เจตนาดีก็แล้วกัน แตนี่คำหยาบเนี่ยหมายความว่าคำที่ทำให้ผู้ฟังได้รับความเสียใจยและความเสื่อมเสี ย, ยและความอับอายซึ่งบางที่อาจจะไม่หยาบแต่ว่าผลมันออกมาในลักษณะนั้นที่เราเรียกคนทั่วไปเนี่ยเป็นคุณหญิงอย่างเนี้เรียกท่านผู้หญิงอย่างเงี้ยยกเกินไป หรือไปเรียกคนที่เขาเป็นคุณหญิงเป็นท่านผู้หญิงว่านางนั้นนางนี้มันก็แต่เป็นลดได้ตามไปก็เรียกตามที่เขาเป็นอย่างพระที่ถูกสมมติได้เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเราก็เรียกเรียกชื่อเฉยๆเนะี่ยแหละเรียกอย่างเงี้ยเรียกท่านเจ้าคุณเรียกท่านพระครูเพราะว่ามันเกิดขึ้นโดยพระบรมราชาอง์การ เราต้องให้ความเคารพแต่ว่าเวลาสนทนาการมันก็พูดคำสั้นๆอย่างนี้ก็ได้อาจจะช้กกรมาท่านเฉยๆนี่ก็ได้แต่ถ้าเป็นรายลักษณ์อสกรก็ต้องมีคำเต็ม น, นั่นก็แสดงว่าเรายอมรับสมมติสัจจะเหล่านี้แต่ว่าพระไปะยึดติดไม่ได้นะพระเองคนที่เป็นนะ่ยไปยึดติดไม่ได้ แต่ว่าโยมคนอื่นเนี่ยต้องยึดต้องให้ความเคารพคือพระรูปหนึ่งเนี่ยมันมันมันมีชื่อที่แม่ตั้งมันมีชื่อที่อุปชาตั้งแต่มันมีชื่อที่พระรับพระราชทานมาจากไหนหลวงตอนเวลาเขียนอะไรเนี่ยเราเขียนหมด ใจจุลปรมคุ ณ, คณาพอเนี่ยท่านใช้นามปา ก, กาว่าอะไรป อ, อประยุตโตพอนั่นคือประยุทธ์เนี่ยอก็คืออาจริยังกูลก็เป็นนามสกุลแล้วก็พออประยุตโตนั่นคือชื่อฉายาแล้วก็ข้างหน้าท่านไม่ค่อยใส่อะไรหรอก ก็เป็นพระพรุมคุณาภพแต่ว่าเวลาบิลพีต้องสือต้องใส่นะฮะต้องใส่ต้องใส่ลงไปเป็นนามพระราชฐานจะต้องให้ความเคารพทีนี้คำเพเจริญเลวไห ล, หลารายสาระเนี่ยมันเป็นก็ไรสาระนยดูง่ายที่สุดก็คือดูฟังคำพูดของคนเมา เราก็จะเห็นความเพื่อเจอไร้สระยเยอะบางบ้างเราอัดเทปไปฟังก็ได้ทีนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหมายความมาโลกปวดลงมันลดพูดอย่างนั้นได้เนี่ยโลกปวดลงลงลดถ้าโลกปวดหลงยังล้นออกมาข้างนอกเนี่ยเอาไม่อยู่พูดอย่างนั้นไม่ได้ประการต่อไปสมากกับมันตั การงานชอบก็คือประพฤติชอบได้แก่การงดเว้นจากการประทุษ้ายต่อชีวิตทรัพย์สินคู่ครองเราเจะ เ, เจอเยอะมากถามว่าทำไมเพราะว่าในโลกจริงๆนี่ให้ท่านสาาชนลองสังเกตว่ามันมีชีวิตมันมีทรัพย์สินมนุษย์อยู่ได้แล้วสองอย่างนี่ชีวิตกับทรัพย์สิน แต่มนุษย์ในกาลมาวจรมันต้องมีคู่ครองให้เราสังเกตพวกกาลมาวจรเนี่ยจะมีคู่ครองาบายในกามาวจรแล้วก็มนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นสุกติเมื่อเทียบกับพว ก, ก บ, บายเขาก็มีคู่ครองแต่วดานี่ก็มีคู่ครองพอ พ, พรมแล้วเดียวเลยนะฮะ รมเนี่ยเราไม่เห็นว่ามีบริวารห้อมล้อมเป็นเทศจีดาเท่านั้นเท่านี้เท่าน้นไม่มีพูดถึงอะเพราะมันไม่มีแหละไม่มีคู่ครองแล้วเพราะอะไรเพราะว่าสงบกิเลสกามไปได้ท่านก็ไม่มีความปรารถนาในทางกายตัวนคนจะไปเกิดนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่แปลกเพราะมันเกิดด้วยกำมังชาด แต่เป็นผู้หญิงมาก่อนก็ได้เป็นผู้ชายมาก่อนก็ได้เกิดปั๊กก็เป็นพรุ่มคือกันเป็นผู้เสมอกันแล้วก็โดยเ ร, เรื่องสัญญานะสัญญาเสมอกันไมายความมาเกิดด้วยภูมิมของอะไรก็ตามความรู้สึกค่าทีต่อสัตว์ต่อชีวิตก็จะเหมือนกัน ผมก็เลยก็มีคู่ครองแต่คู่ครองก็คือชีวิตอ่ะคู่ครองก็คือชีวิตทรัพย์ส่วนหนึ่งเป็นชีวิตทรัพย์ส่วนหนึ่งไม่เป็นชีวิตก็บดโลกแล้วเพราะั้นพวกนี้จึงจึงต้องพูดถึงอยู่ตลอดองค์ธรรมที่ทรงแสดงมันก็ไปแสดงในนา ม, มารูปอ่ะตัวนี้เป็นนามการูปหมายความว่า ชีวิตก็ดีทรัพย์ก็ดีคู่ครองก็ดีนั้นก็เป็นรูปแต่ว่าในตัวเขานั้นยังมีเวทนาสัญญาสังขารอยู่วิญญาณอยู่มันก็เป็นนามอยู่เลยต่วทงคนทั้งพืชนะฮะไม่ใช่เอ่อทั้งทั้งชีวิตทั้งทรัพย์ทั้ทงอะทั้งคู่ครองนั่นแนะปัญญาปัญญามีเหตุผลสูงขึ้นเยอะ ก็หมายความวามาสมาีิ ส, สมาสังกปะมีความเข้มข้นขึ้ น, นก็จะเกิดระบักระวังสำรวมเวลาเกี่ยวข้องกับชีวิตทรัพย์สินหุ้นรองไม่ล่วงละเมิดก็เราเราจะเห็นว่าปัญหาภูเขาบ้านเราก็คือนี่แหละสมาวาจาบสมากัรบมบตานนี่มันหายากเลยเกิดขาดแคลนแลย คือบางทีเนี่ยตัวเองทําผิดมาก่อนเขานะฮแต่ว่าเวลาคนอื่นทําผิดนั้นเรียกร้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนี้ชั่วอย่างนั้นแล้วอย่างนี้กรรมอย่างนั้นอะไรต่างๆสารพัดเลยเมื่อควางแล้วก็นึกขำมาเออพวกนี้ก็ทํามาก่อนตั้งปีกว่าทำความผิดมาก่อนตั้งปีกว่าแล้วก็ผิดแรงกว่าด้วยนะผิดแรงกว่าด้วย แต่ปรากฏว่าสารก็ดีเหลือกเกินนะยังไม่ขยับตัวอะไรไปเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนเรื่องไม่รู้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตํารวจหรืออยู่ที่อายการหรืออยู่ที่ศารก็ไม่รู้สรุปว่าไม่ขยับอะไรเลยติดสายหนึ่งก็ไปกันชิวเลยนี่คืออะไรอ่ะสังคมที่มีความเป็นเราเป็นเขาชี้แรงเพราะอะไรเพราะความเห็นขาดหลักสมาธิจิต ความดำร่ริขาดหลักสมาสังกัปปะพปรบัญชีมันก็ทุจริตนะการกระทำก็ทุจริตตามไปทีนี้พอสมาชีวะเนี่ยปธิบายยากสมาชีวะคือสรุปว่างดเว้นจากการประกอบอาชี พ, ช พ, พที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรม ก็ว่ากันไปเป็นการณีการณีรไปจะประกอบอาชีพอะไรก็ไปเทียบเคียงกับกฎหมายเทียบเคียงกับศีลธรรมถ้าผิดศีลธรรมก็ไม่เอาผิดกฎหมายก็ไม่เอาอาชีพเหล่านั้นอาจจะมากมายแต่ว่าถ้าผิดกฎหมายแล้วก็ไม่เอา ตอนก่อนฟังคนหนุ่มคนหนึ่งแต่ระดับผู้จัดการแล้วนะอายุของไม่รู้เพราะว่ายังคิดว่าคงจะเกินน่าจะเกินสี่สิบตอนเราเทียบเคียงเวลาเรียนเวลาทำงานประสบการณ์ต่างๆของเขาเนี่ยแต่ว่าน้าตายัางเด็กแกเรียนจบมาทางบริหารกับทางเกีวกัสถาปัตย์ิลปะเนี่ยนะ แต่ตดูดูว่างานพวกนี้จะไม่จบแต่ไปจบในด้านบริหารจะทำงานในบริหารใหญ่ๆรีเวอร์บรัฟเทอร์ไอซีพี CP อะไรต่ไรมาแต่ในสุดมันก็เกิดความคิดยันนึกว่าเออคนหนุ่มรุ่นนี้มีความคิดดีเหมือนกันแกบอกว่าที่เราเรียนเนี่ย แล้วได้ออกมาบริการสังคมครูก็ได้ออกมาสอนเด็กแพทย์ก็ออกมารักษาคนป่วยพยาบาลก็ออกมาดูแลคนป่วยทหารตำรวจก็ออกมาบริการประชาชนดารพัดแต่วิชาที่เราเรียนเนี่ยมันก็มาปล้นปลื้มตัวเองมาบำรุงบำรุงตัวเองมันได้ประโยชน์อะไรเขาเป็นคนรักชาติแล้วก็คิดคมนะ คิดข่มมากนานๆจะฟังค น, นรุ่นรุ่นหนุ่มอย่างนี้คิดเขาบอกว่าเขาทราบซึ้งระทับใจในชาติบ้านเมืองเพราะว่าเวลาเนี้ยเราหาคําตอบไม่ได้ว่าเราเวลาเนี้ยเราสร้างสรรค์อะไรให้แกชาติบัานเมืองแบบเรื่องที่เรานํามาภูมิใจมาโอ้อวดกันเนี่ยมันเรื่องคนรุ่นก่อนทั้งนั้น ก็ในหลวงก็ถือว่ารุ่นก่อนอ่ะเพราะพราะชนภรรษาตั้งแปดสิบปาดเราชื่นชมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราชื่นชมกับดีดบุรพมากษัตริย์โดยเฉพาะมาราชทั้งหลายเนี่ยเราชื่นพรมชมกับโบสถ์พระแก้วเราชื่นชมกับปูกเขาทองเราชื่นชมกับอะไรต่อของเก่าทั้งนั้นบุญญาตายาทามาทั้งนั้นเราไม่ได้ทําอะไรสักแกหน่ง แล้วก็ท่าแดงท่าทีเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไปหมดเลยทั้งทั้งทีต่ ต, ต, ตัวเองไม่ได้สร้างอะไรขึ้นเราไม่ได้ภูมิใจกับปัจจุบันนะเราจะเห็นว่าปัจจุบันเราไม่มีอะไรที่น่าภูมิใจเลยดูไปก็เจอแต่เรื่องอดีตอาจจะมีการซ่อมบํารุงปฏิสังขรณ์อะไรขึ้นมาก็เรื่องของอดีตไม่ใช่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตั้งคําถามให้ทิติกรก็อตอบ ว่าที่คุณภาคภูมิใจในความเป็นไทยของคุณเนี่ยเพราะอาศัยอะไรขอให้ตอบนะพ่ดีกรก็ตอบเรื่องอดีตทั้งนน้อที่อยู่ในปัจจุบันก็คือพระบาทสมเด็จพระเ จ, จ้าอยู่หัวพระองค์เดียวก็ภูมิใจในพระองค์แต่ว่าอย่าลืมว่าพระองค์ก็มาจากอาดีตนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะเดี๋ยวถ้าเราส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่คิดกันมากๆ และจะเห็นคุณค่าของอดีตของคนโบราณนะคนรุ่นก่อนรุ่นก่อนอาจจะมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ก็ได้แต่ว่าอายุมากแล้วก็เคยสร้างผลงานเอาไว้แต่ผลงานเหล่านั้นก็ก็แนวเนี้ยนราชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรียสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกากาเป็นเรื่องของคนในอดีต พระสมาชีพจึงตัดสินชีเอากฎหมายกับสินธรรมเป็นเกณฑบถือว่าถ้าชอบก็ชอบโดยกฎหมายชอบโดยสินธรรมถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบโดยกฎหมายไม่ชอบโดยสินธรรมีนี้ต่อไปเป็นสมาวายามะเป็นความพยายามในทางที่ชอบหมายความว่าพยายามอย่างไงก็ได้ อิเลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดที่เกิดแล้วลดละจางคลายไปความดีที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นความดีที่เกิดแล้วเพิ่มพูนมากขึ้นขึ้นอันนี้ถือว่าความพยายามชอบนักนึงเพราะมันไปเสริมค่าแก่ชีวิตของเราทรัพย์สินสินตระหนกค่านต่า ง, างมากมาย ก, กายกองเนี่ยเอาก็จริง มันก็เป็นสมบัติของโลกไปคิ้งไว้ในโลกแต่มาตอนนี้อาคารศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยที่พลเอกเสรีปุกมาณออกแบบให้เนี่ยก็ทำไปก็คิดว่าประมาณไม่เท่าไหร่ไม่กี่เดือนก็จะเสร็จแต่เมื่อเกิดวิตรังบนอนะทีนี้ พระเราไม่เคยมีทรัพย์สินอะไ ร, รบวชมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าเอถ้าไม่ทำได้ก็ดีนะเนี่ยเราก็กลายเป็นเครื่องกังวลไปพะสร้างขึ้นแล้วไหนค่าใช้จ่ายละ่ะไหนกิจกรรมละ่ะไหนบุคลากรละ่ะไหนเงินที่จะใช้ละ่ะมันตามมาเยอะมากเลยป่านนแล้วเราก็ต้องไปแบก แบกปัญหาต่างๆเหล่านั้นเอาไว้แล้ในสุดก็รู้สึกว่าเป็นเจ้าข้าเจ้าขมก็เลยก็คิดแต่ยังหาคนไม่ได้นะว่าแล้วก็อายุอีนี้ก็เจ็ดสิบเจ็ดย่างแล้วก็นึกจะโอนย้ายให้คนอื่นเขารับตำแหน่งแล้วพอแปดสิบก็เลิกได้แล้ว บำเพ็ญเพียรในด้านจิตใจไปดีกว่านับถอยหลังแล้วนี่ชีวิตไม่เท่าไรแล้วแต่ว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ยังไงเราก็ตายอ่ะเราก็ต้องทิ้งกันได้แหละเพรา ะ, ะนันเราจะเห็นว่าความพยายามอย่างนี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเราเป็นพระแล้วก็ไป ไปพยายามอย่างนั้นที่จริงก็ไม่สนุกก็แน่นอนเป็นการอ น, นุเคราะห์ต่อสังคมเกื้อกูลกับศาสนาแต่ว่าเป็นภาระมากทีนี้ต่อไปสมาสติก็คือการตั้งสติระลึกอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมมันหมดโลกแล้วนะฮะกายเวทนาจิตธรรมเนี่หมดโลกเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับมืนกับีหานี่แหละก็เพรยิ่งก็เรื่องเดียวกันน่ ในสีหน้าที่เราพูดถึงชีวิตทรัพย์สินคู่ครองเนี่ยแล้วก็สื่อสารชีวิตก็คือกายล ะ, ะเวทนาก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตก็คือกายก็คือชีวิตแล้วก็อะไรล่ะ พอมาถึงพวกอะไรสัญญาสังขารวิญญาณก็มาอยู่ที่กายเพราะว่าชีวิตก็ดีทรัพย์ที่มีชีวิตก็ดีคู่ครองก็ดีมันก็คือที่รวมของขันท์นะฮะเลยก็ไปอยู่ที่จิตบ้างไปอยู่ที่ธรรมบ้างนะไปอยู่ดิษฐ์รมท่านที่เป็นกุศลอกุศลอรยยกฤิตรเรก็ศึกษาเรื่องเดียวกันนี่แหละ ศึษาเรื่องกายเนะี่ยจากปลายผมถึงปลายเท้าเนะี่ยเอาอยัางไม่รู้สักทีเนะี่ยอยู่กับมานานและกินด้วยกันอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันอาบน้ำด้วยกันกร่างกายของเรานะฮะเราก็จริงเราไม่รู้จักมันเรากํากับควบคุมมันไม่ได้เราบอกว่ากายเราแต่เราก็ไม่เคยพูดกับมันรู้เรื่องสักทีนะึแต่เราก็ยังยึดถือว่ากายเราจนมาและนี่ก็คือ ข้อที่พระเถระแต่ต่อไปเป็นสมาสมาธิแก่อนกันกันนะฮะสมาสมาธิก็คือผลรวมจากการใช้สติสัมปัญญะความเพียรํามจิตได้สงบอยู่ในอารมณ์ของกรรมทานอารมณ์ของสมาสติเนี่ย น, นะแล้วก็ถึงจุดหนึ่งถ้าบรรลุฌานเนี่ยไม่ใช่บรรลุฌานะคือสงบสักระดับหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิแล้ว แต่ว่าตัวสัมมาสมาธินั้นเป็นระดับฌานการพูดถึงระดับฌานพวกนี้เมื่อเขาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าฝ่ายกิเลสซึ่งตอนนี้พระเถระท่านจะยกเอาอุปกิเลสสิบหกมาอุปกิเลสสิบหกมาให้เป็นตัวอย่างเพรา ะ, ะั้นเรื่องของธรรมธายาสูตรก็คงจะต้องต่อไป เพราะว่ามีข้อความอยู่อีกอาจจะหนึ่งครั้งหรือสองครั้งแล้วก็ไปเสริมเติมด้วยอัตกถาที่ท่านอธิบายข้อความขยายออกไปตึกแต่ละเรื่องก็เรื่องจำเป็นต้องเรียนต้องรู้ต้องทำความเข้าใจด้วยกันทั้งนั้นต้องฝังทั้งหลายเสียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความจะเริญงอกงามไพบู์ในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี